จเจริญกรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเนื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4 ส, สิงหาคมพุทธศักราช2555อยู่ในช่วงเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชน ไม่ว่าจะเป็นบรประชิตหรือคารหฮาก็ได้มีความตั้งใจพิเศษที่จะสร้างบุญสร้างกุศลที่พิเศษมากกว่าที่เคยสร้างมาในระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะเห็นว่าการจำพรรษานี้เป็นเวลาที่มีการ เร่งปฏิบัติเร่งสร้างบุญสร้างกุศลกันแต่ละคนจึงได้มีการเพิ่มการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีการต่างๆกันบางท่านก็ออกบวชเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรเป็นแม่ชีบางท่านก็ถือสิงแปอยู่วัดตลอดพรรษา บางท่านก็เข้าวัดถือศีลแปดทุกวันพระบางท่านก็รักษาศีลห้าตลอดทั้งปรรษาบางท่านก็ทำบุญใส่บาต ท, ทั้งปรรษาถ้าไม่มีพระผ่านมาทางบ้านก็สามารถใส่บาตรได้ด้วยการเอาปัจจัยเงินทอง ที่จะใช้ซื้อกับข้าวกับปลาอาหารใส่ไว้ในกระปุกเวลามาวัดก็นำเอามาถวายวัดก็ได้ใส่บาตเช่นเดียวกันนี่คือข้อวัดปฏิบัติที่พุทธศาสนิกชนแต่ละคนแต่ละท่านได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติกัน ในช่วงภรรษาคือระยะเวลาสมเดือนตั้งแต่วันแรงหนึ่งขั้นเดือน8จนถึงวันแรงหนึ่งขั้งเดือน11เเป็นเวลาที่ชาวพุทธเราจะมุ่งมั่นต่อการสร้างบุญสร้างกุศล ม, มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด การที่เราจะทำสิ่งที่เรามุ่งมั่นให้สาเร็จได้ไม่ว่าจะบวชจะรักษาศีลแปดจะทำบุญใส่บาตก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมสีประการด้วยกันคือ 1. อธิษฐานคือแปลว่าความตั้งใจสอสัจจะแปลว่าความจริงใจ 3. วิริยะ แปลว่าความอตสัาหาและสีขันติความอดทนนี่คือเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถทำอะไรตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ตอนนี้เราก็มีอธิษฐานกันแล้วคือเรามีความตั้งใจเช่นบางท่านก็ตั้งใจจะบวชตลอดทั้งพรรษาจะไม่ศสพการรรษาจะรอ จนออกพรรษาถึงจราศิกขาบางท่านก็ตั้งใจที่จะละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาตลอดทั้งพรรษาถ้ายังไม่ออกพรรษาก็จะไม่ดื่มสวรานี่คืออธิษฐานความตั้งใจแต่ละท่านก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานได้ต่างกันแล้วแต่ ความถนัดแล้วแต่ความปรารถนาแต่เมื่อตั้งแล้วอาจจะล้มก็ได้ถ้าไม่มีสัจจะสัจจะนี้แปลว่าความจริงใจเอาจริงเอาจังไม่โกหกหลอกลวงตัวเองคนที่ตั้งอธิษฐานแล้วทำไม่ได้ก็เหมือนคนที่โกหกตัวเองนั่นเองหลอกตัวเองว่าจะทาอย่างนั้นทำอย่างนี้ เช่นหลอกตัวเองว่าจะไม่ดื่มสุราแต่พอถึงเวลาอยากดื่มขึ้นมาก็ทำเป็นลืมไปเสียลืมไปว่าได้ตั้งสัจจะไว้ว่าได้ตั้งอัจิตอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ดื่มสุราแต่ถ้ามีสัจจะกํากับไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วถ้าเป็นคนที่มีสัจจะ ก, ก็จะไม่กระทา ในสิ่งที่ตนเองได้ตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานเอาไว้ถ้าได้ตั้งอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ดื่มสุราพอถึงเวลาที่จะต้องดื่มสุราเกิดความอยากดื่มสุราก็จะไม่ดื่มถึงแม้ว่าจะทุกข์ยากลําบากอย่างไรหดเหยียดลำคาญใจอย่างไรก็จะอดทนก็ต้องมีขันติอีกข้อนึง มิจะช่วยได้นี่คือเรื่องของการกระทำสิ่งต่างๆที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราเราต้องจ้งอธิษฐานกันเพราะโดยปกติใจเรานั้นจะไม่ค่อยไปทางที่ถูกที่ควรที่สุขที่เจริญใจเราชอบจะไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรที่มีแต่ ความทุกข์ความเสื่อมเสียตามมาเราชอบออกทํานองครองธรรมกันไม่ชอบอยู่ในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญให้ปฏิบัติกันเราจึงต้องบังคับตัวเองด้วยคุณธรรมสี่ประการคืออธิษฐานตั้งใจว่าจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำ แล้วก็ตั้งสัจจะทนตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้สามก็ต้องมีความภาคเพียรวิริยะคือความอุตสาหะถ้าจถ้าตั้งแล้วไม่ทำก็จะไม่เกิดผลเช่นตั้งใจว่าจะใส่บาตรทุกวันแต่พอถึงเวลาก็ขี้เกียจ ที่เกียรติไปใส่บาที่เกียรติตื่นขึ้นมาหุมข้าวทำกับข้าวกับปลาอาหารก็จะไม่ได้สั่ง mm hmm. หรือถ้าขยันตื่นขึ้นมาแล้วแต่มีความทุกข์ mm hmm. เพราะว่าง่วงนอนอยากจะกลับไปนอนต่อ mm hmm. ก็ต้องใช้ขันติความอดทนถึงจะสามารถทำในสิ่งที่ได้ตั้งใจเอาไว้ได้ พวกเราทุกคนถ้าเราไม่ตั้งใจมาในทางของพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันที่จะมาได้เลยถ้าจะรอให้เกิดความอยากขึ้นมาเองซึ่งนานๆอาจจะมีสักครั้งหนึ่งตามอารมณ์วันไหนอารมณ์ดีอยากทำบุญก็ทำวันไหนอารมณ์ไม่ดีไม่อยากทำบุญก็จะไม่ทำถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ เราก็จะไม่มีทางที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้เลยถ้าเป็นเรือก็เหมือนกับไม่มีพวงมาลยัยไม่มีหางเสือปล่อยให้กระแสน้ำพาไป <c oughs> แต่ถ้าเป็นเรือที่มีหางเสือก็จะสามารถบังคับเรือให้ไปในทาง ที่ต้องการจะไปได้คุณธรรมทั้ง4ประการนี้ก็เป็นเหมือนหางเสือของเรือที่จะบังคับให้เรือวิ่งไปถึงฝั่งได้ไม่ใช่วนเวียนอยู่ในการทะเลชีวิตของพวกเราในขณะนี้ก็เป็นเหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลทะเลของเราก็คือวัตถะสงสาร วัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้จักจบจากสิน้นยังไม่ไปถึงฝั่งสัทีฝั่งของพวกเราก็คือพระนิพพานพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ไปถึงพวกที่อยู่ในเรือนี้ก็ต้องทุกข์ทรมาน ก, กับการอยู่กับ นมกับคลื่นอยู่กับคาอดอยากขาดแพลนอยู่กับความทุกข์ต่างๆอยู่กับภัยต่างๆส่วนพวกที่ไปถึงฝั่งแล้วก็จะปลอดภัยจะอยู่ได้อย่างสบายอยู่อย่างมีความสุขไม่มีภัยอันตรายที่เกิดในท้องทะเลมาสร้างความเสียหายสร้างความทุกข์ใจ พวกเราจึงต so ้องหันหางเสือของเราให้เข้าฝังกันอย่าปล่อยให้ไปตามกระแสลมกระแสน้ำที่จะพัดเราวนเวียนอยู่ในกลางทะเลอย่างที่ได้เป็นมานับเป็นเวลาไม่ทัวนแล้วการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้มากมายมากในแต่ละภพแต่ละชาติเราก็ต้องพบกับความทุกข์มากมาย ร้องห่ร้องไห้กันทุกคนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเก็บน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภกแต่ละชาติมารวมกันมาสะสมมาไว้ท่านว่ามันจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรสคิดดูก็นลกันว่าเราจะต้องเวียนไหวาตายเกิดสักกี่ชาติกันถึงจะร้องไห้ให้มีน้ำตาได้เท่ากับน้าในมหาสมุทร นั่นแหละคือจำนวนภบชาติของพวกเราความทุกข์ของพวกเราที่ได้ผ่านมาและจะต้องเป็นจะต้องร้องหหมร้องห้ยอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีวินวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ปรับถ้าเราไม่บังคับใจของเราด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระเจ้าที่ทรงสอนให้เราไปถึงฝั่ง ก็มีอยู่3ประการด้วยกันคือทางการให้สองศีลการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นหรือละเว้นจากการกระทำบาปและ3ภาวนาการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือทางที่จะพาให้เราไปถึงฝั่ง เราจึงควรที่จะตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะปฏิบัติทานสีงภาวนาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือไปจนกว่าจะถึงฝั่งของพระนิพพานถ้าเรายังไม่ถึงฝั่งเราก็จะทำต่อไปและจะทำเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ อย่างตอนนี้ถ้าเราทำบุญให้ทานประมาณรอยละสิหรือร้อยละยีในจำนวนของรายได้ของเราต่อไปเราก็จะต้องเพิ่มเป็นร้อยละรอยละ่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มร้อยถ้าเราเพิ่มทำให้ได้เต็มร้อยเราก็จะได้ออกบวชได้ ไม่ต้องอยู่เป็นคารวาสให้เหนื่อยให้ยากให้ลำบากเพราะชีวิตคารวาสนี่เป็นเหมือนเรือที่ไม่ได้ทอะที่ไม่ได้ถอนสมอเรือที่ไม่ถอนสมอนี้จะวิ่งไปไหนไม่ได้ฉันใดชีวิตของคารวาสก็จะไม่สามารถดำเนินไปถึงฝั่งของพระนิพพานได้ยกเว้นคารวาสที่ถอนสมอแต่ยังมีความจำเป็น ที่ยังต้องอยู่เป็นค า, ารวาะอยู่อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษแต่ใจเขานั้นเขาให้หมดแล้วเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเขาไม่มีความโลภอยากได้เงินทองไม่ต้องการเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆเก็บเงินทองไว้เพียงแต่เพื่อมาดูแลอัตภาพร่างกายเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วจะไม่ใช้เงินทองเพื่อ ซื้อความสุขต่างๆจะหาความสุขจากการปฏิบัติศีลและภาวนาถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้วเพราะคำว่านักบวชนี้ไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบหรืออยู่ในรูปแบบที่ว่าจะต้องโกนสีสันห่มขาวหรือห่มเหลืองเสมอไปผู้ที่ไม่ห่มขาวห่มเหลืองไม่โกนสีรษะแต่ ปฏิบัติเป็นนักบวชก็มีในสมัยพระพุทธกาลก็มีหลายท่านด้วยกันที่เป็นคารวะแต่สามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้เพราะใจของท่านนั้นเป็นนักบวชนีงเองใจของท่านมีทานมีศีลมีภาวนาดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องยึดรูปแบบเสมอไปถ้าเรามีสิ่งผูกพัน เมื่อมีภาระที่เราไม่สามารถที่จะตัดได้เราก็ยังสามารถเจริญทานศีลภาวนาในสภาพของการเป็นผู้คองเรือนได้อยู่ mm hmm. เช่นเราอาจจะมีภาระเกี่ยวกับบิดามารดาที่เราต้องคอยเลี้ยงดู mm hmm. เนื่องจากท่านชรลาภาพหรือเป็นอมภุดอมภ่าแล้วก็ไม่มีใครดูแลเราก็ ดูแลท่านไปแต่เวลาอื่นเราก็มีเวลาว่างที่เราจะรักษาศีลได้ศีลนี้รักษาได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนศีลนี้อยู่ที่กายวาจาของเราไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบถ้ามีเครื่องแบบแต่ไม่รักษาก็เหมือนกับว่าไม่มีศีลอยู่ดีศีลอยู่ที่การรักษาที่กายและวาจา เช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักษาไม่กระเพิดผิดโรเวณีไม่พูดปดไม่เสพสรายยาเมาจะใส่เสื้อผ้าชุดไหนก็ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นอันที่เป็นสิ่งที่สำคัญใส่ชุดขาวแล้วไม่รักษาก็เหมือนกับไม่ก็เหมือนไม่ได้รักก็เหมือนกับว่าไม่มีศีลนั่นแหละไม่ได้ใส่ชุดขาวแต่รักษาศีลก็มีศีล สนี้อยู่ที่กายอยู่ที่วาจาดังนั้นถ้าเรามีภาระมีสิ่งที่เราไม่สามารถที่จ ะ, ะตัดได้เช่นบิดามารดาที่เราต้องเลี้ยงดูเราก็เป็นนักบวชในฐานะคาวราวะไปก็ได้เราก็สามารถรักษาศิ่งของเราได้เราก็สามารถภาวนาได้ นั่งสมาธิได้เจริญปัญญาได้าอาจจะไม่คล่องตัวเหมือนกับได้ออกบวชได้ไปอยู่ในวัดต้องการออกบวชการไปอยู่ในวัดนี้ก็เป็นเหมือนการขับรถขึ้นทาง ด, วด่วนถ้าได้ขึ้นทางด่วนแล้วมันก็จะไม่มีสีแยกไฟแดงไม่มีรถติดสามารถวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้ายังไม่ได้ขึ้นทางด่วนยังขับรถอยู่ที่ถนนชั้นล่างอยู่ mm. ก็จะต้องเจอกับสี่แยกไฟแดงเจอกับรถลาที่ติด mm. ก็อาจจะไปได้แต่ไม่รวดเร็วอาจจะต้องใช้เวลายาวนานหน่อย mm. นี่คือเรื่องของการดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้า ทุกคนสามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าส่งไปถึงได้ไม่ได้อยู่ที่เพศเช่นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นหญิงก็ไปได้เป็นชายก็ไปได้เป็นนักบวชก็ไปได้เป็นคารวาสก็ไปได้เป็นเด็กก็ไปได้เป็นผู้ใหญ่ก็ไปได้ในสมัยพุทธกาลมีสัมมาเนย บรรลุเป็นพาระาอรหันต์และเป็นอาจารย์ของพระเถระที่บวชมาหลายสิบพรรษาด้วยกันเพราะว่าพระเถระบวชแล้วศึกษาอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติเมื่อศึกษาลู้ธรรมะจำพระไตรปิฎกได้ทั้งทั้งเล่มแต่ไม่เอาไปปฏิบัติก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุไปถึงฝั่งของพระนิพพานได้ เพราะการศึกษานี้เป็นเหมือนกับการดูแผนที่เท่านั้นเองเหมือนกับการดูรายการอาหารเวลาเราไปร้านอาหารเขาก็มีป้ายเขียนไว้ว่ามีข้าวมันไก่มีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรต่างๆการดูป้ายนั้นไม่ได้ทำให้เราได้กินก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวมันไก่เราต้องสั่งให้เขาทำมาแล้วเอามาให้เราแล้วจากนั้นเราก็ต้องรับประทานเราถึงจะได้ รับความอิ่มจากการรับประทานอาหารฉันใดผลทางทางธรรมะก็เช่นเดียวกันการศึกษาอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้เราได้บรรลุมากผลนิพพานได้ไปถึงฝั่งที่พระพุทธเจ้าได้ไปส่งได้ทรงไปถึงเราต้องนำเอาสิ่งที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติ เช่นพระเถระรูปนี้ท่านชื่อโพธิลัตห์ายแปลว่าไบลานเปล่าทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าเจอโพธิรัตพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าไบลานเปล่าไบลานเปล่าเธอบวชมาก็เสียเวลาไปเปล่าเปล่าเพราะเธอบวชแล้วเธอไม่ไปปฏิบัติทุกครั้งที่เจอพระพุทธเจ้าก็จะทรงตัดอย่างนี้จนในที่สุดเธอก็เลยต้อง ออกไปหาสำนักปฏิบัติก็ได้ไปพบกับสำนักปฏิบัติที่มีพระอาหารหันต์อยู่ในวัดทั้งหมดเลยตั้งแต่พระเถระจนถึงสา ม, มเณรเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดพอไปกราบพระเถระผู้เป็นหัวหน้าเพื่อให้ขอให้รับเป็นเป็นนักเรียนนักศึกษาท่านก็ปฏิเสธท่านอ้างว่าท่านเป็นพระเถระก่อผล ท่านมีพันสามารถกว่าผมท่านมีความรู้มากกว่าผมท่านศึกษาพระตไตรปดฎกมาจบมาครั้งเล่นแต่ผมยังไม่ได้ศึกษาจบเลยท่านก็ปฏิเสธไปท่านก็เลยต้องไปหาพระรองมาแต่และองค์ท่านก็ปฏิเสธเหมือนกันหมดจนไปถึงสัมมาณีสัมมาณีท่านก็เอาว่าไม่มีใครจะสอนสั ม, มเาณีก็เอาเพราะท่าน มีศรัทธาเชื่อว่าสัมเณีนก็เป็นพระอาหารหันต์สามารถสอนท่านได้ท่านก็เลยไปกราบสัมมณีขอให้สัมเณีรับเป็นลูกศิษย์ตอนต้นสัมเณีก็ทําท่าว่าจะไม่รับพระเทระผู้เป็นหัวหน้าก็พูดแต่ว่าเธอไม่สงเคราะห์ท่านหน่อยู่หรือสัมมณีพอท่านพูดอย่างนี้สัมเณีก็เลยต้องรับพระโพธิลัตไปเป็นลูกศิษย์ก่อนที่จะ สอนวิธีการปฏิบัติก็ต้องเอามาทดสอบจิตใจดูก่อนว่าเขารับเชื่อฟังหรือไม่ก็เอามาใช้ให้ใจแบบลูกศิษย์ให้อาจารย์ใช้ลูกศิษย์ให้ล้างบาตให้กวาดถูกุฏิให้ซัดจีวรให้ไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้บางทีก็หลอกให้ลงไปลุยน้ําให้ไปเอาของที่อยู่ในน้ํา พอลงไปขึ้นทางตัวเปียกแล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจก็พระเทระคือพระโพธิลชนี้ท่านก็ไม่มีแสดงอาการโกรธคืองหรือไม่เครารพท่านเครารพทุกคำพูดของสั ม, มเณรเพราะท่านเครารพว่าเป็นคำสอนทุกคำสอนไม่ว่าจะให้ทำอะไรก็ต้องทำตามถ้าอยากจะเป็นลูกศิษย์ที่แท้จริง อาจารย์บอกให้ทําอะไรลูกศิธิ์ก็ต้องทําตามอย่างนั้นพอสามเณรได้เห็นล่าว่าพระโพธิรัตนี้เป็นลูกศิษย์ที่ดีที่เชื่อฟังที่พร้อมที่จะกระทาตามคำสอนก็เลยสอนพระโพธิลัตว่ากิเลสนี้ก็เป็นเหมือนกระปองที่มันอยู่ในอยู่ในรูมันมีทางออก เข้าออกอยู่หรูด้วยกันถ้าจะจับตัวนี้ก็ต้องปิดห้ารูไว้แล้วเปิดที่เมือรูเดียวแล้วเราก็ไปนั่งเฝ้าอยู่ที่ปากรูนั้นเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องออกมาที่รูนั้นนี่คือคำสอนของสมณเณรที่สอนพระเถระเกี่ยวกับการจับกิเลสฆ่ากิเลสก mm hmm. ิเลสนี้ก็มีทางเข้าออกหทางด้วยกัน คือทางตาหูจมูกมิ้นกายและใจสามเณนก็บอกว่าให้ปิดทวารทั้ง5คือปิดตาหูจมูกมินกายคืออย่าไปดูอย่าไปฟังสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเช่นดูหนังฟังเพลงกินข น, นมนมเนยดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นการ เปิดประาวาลให้กิเลสเข้าออกได้ต้องปิดทวาลทั้งห้าคือไปปิดวิเว้ไปอยู่ในป่าใ้เขาที่ไม่มีแสงสีเสียงที่จะรอให้กิเลสออกมาเพ่นพ่านแล้วก็ให้เจริญสติเฝ้าดูกิเลสที่ใจเพราะกิเลสไม่มีทางออกแล้วก็จะดิ้นอยู่ในใจเวลากิเลสดิ้นออกมาก็ใช้การภาวนาดับมัน ใช้สมะถะภาวนาและวิปัสสนาดับวันพอสมมเนรสอนให้พระโพธิรัตปฏิบัติไม่นานพระโพธิรัตก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมานี่คือเรื่องของการปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์ที่เป็นผู้ที่ได้บรรลุแล ม, มาสอนถึงจะสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ถ้าผู้สอนนี้ยังไม่บรรลุยังไม่รู้จากวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะสอนแบบผิดผิดถูกถูกเพราะจะเหมือนกับคนที่หลงทางคนที่ไม่รู้ทางคนที่ไม่รู้ทางจะไปบอกทางกับคนอื่นที่ไม่รู้ทางได้อย่างไรก็เป็นเหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอดนั่นเองดังนั้นในทางของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า จ, จึงทรงสอน าขั้นตอนของการบรรลุเป็นขั้นๆไปและไม่ควรทำขั้นข้ามขั้นตอนกันคือขั้นแรกทรงสอนปริยัติปริยัติแปลว่าการศึกษาเพราะทำคําสอนเมื่อเบื้องต้นต้องศึกษาก่อนเพราะไม่รู้จักทางไม่รู้เหมือนกับไม่มีแผนที่ต้องเปิดแผนที่ดูก่อนว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปนั้นอยู่ที่ไหน เรียกว่าปริยัติธรรมคือการศึกษาพระธรรมคำสอนเมื่อศึกษาแล้วขั้นต่อไปก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้ทําบุญให้ทานก็ต้องทําบุญให้ทานสอนให้รักษาศีลก็ต้องรักษาศีลสอนให้ภาวนาก็ต้องภาวนามื่อเมื่อทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้ครบเต็มที่เต็มรอยแล้ว ผลก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนเพราะผลเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุผลก็จะต้องตามมาถ้าไม่มีเหตุผลก็จะไม่ตามมาเหมือนกับการปลูกข้าวของชาวนาถ้ามีการหว่านถ้ามีการไถมีการหว่านมีการปลูกมีการคอยดูแลให้น้าอยู่ตลอดเวลาไม่นานต้นข้าวก็จะต้องเจริญเติบโตและออกรวงข้าวขึ้นมา าะมีการมีการสร้างเหตุที่ทำให้เกิดผลก็คือการวะการไถนาการหวานข้าวการปลูกข้าวการดํานาและการคอยเฝ้าดูให้มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่นานต้นข้าวก็จ ะ, จะเจริญเติบโ ต, ตแล้วก็ออกรวงข้าวมาฉันใดมักผลนิพพานก็เป็นอย่างนั้นก็อยู่ที่การศึกษา แล้วนำเอาสิ่งที่ได้ศึกษามาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเมื่อบรรลุแล้วถึงจงถึงจะเป็นขั้นตอนที่สคือนำเอาธรรมะที่ตนเองได้รู้ได้เห็นแล้วไปสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้ารู้แล้วไปสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็จะสอนได้อย่างถูกต้องแน่นยม เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาถ้าไม่รู้แล้วไปสอนแทนที่จะเป็นประโยชน์ก็กลับเป็นโทษพ่าให้ผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาหลงทางได้เพราะตนเองยังหลงทางอยู่แล้วจะไปสอนให้ผู้อื่นเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร <c oughs> ดังนั้น พ, พวกเราชาวพุทธจึงควรที่จะระวังให้มากเรื่องการอยากสอนคนอื่นเพราะนี่เป็นกิเลสตันหา ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในวงการปฏิบัติเสมอพอได้ศึกษาหน่อยเดียวที่ว่ารู้แล้วก็อยากจะไปสอนคนอื่นแล้วอยากจะเป็นอาจารย์แล้วเพราะการเป็นอาจารย์นี่มันเท่กว่าการเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ก็มีคนเขา้เขาเคารพนับถือมีราบสักการะมาให้แต่โทษมันมีมหันกว่าการไม่เป็นอาจารย์ เพราะเมื่อเป็นอาจารย์ก็จะติดกับลาบสักการะติดกับลูกศิษย์ลูกหาก็จะไม่มีเวลาที่จะออกไปปฏิบัติจิตก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดไม่มีวันที่จะมั่นรู้ถึงมั่นคงนิพพานได้และถ้าไม่ระวังก็อาจจะถ้าเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชก็อาจจะลาศิกขาไปได้ด้วยอำ น, นาจของลาบสักการะที่ได้รับมา ด้วยอำ น, นาจของการสรรเสริญยกย่องยินทะยกย่องสรรเสริญของลูกศิษย์ลูกหาจนทาให้กิเลสตัณหาเกิดมีแรงมากขึ้นไปเกิดการมาตัณหาความอยากในการอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้าเป็นบนรรพชิตเป็นนักบวชก็จะไม่สามารถเสพได้ก็เลยตัดสินใจสึกไปดีกว่าตอนนี้มีลาบสักการะมีเ ง, งินทง หรือวเฟือ่อตอนนี้จะไปกินจะไปเที่ยวอย่างไรก็ไปได้แล้วปรากฏมาแล้วในวงการของพระพุทธศาสนามีมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นกันอยู่เรื่อยๆดังนั้นพวกเราขอให้จงระมัดระวังอย่างยิ่งถ้าเราอยากจะไปถึงมรรคผลนิพพานอยากจะไปพบพระพุทธเจ้าพบกับพระอริยสงสารกทั้งหลายเราต้องมุ่งตรงไปในทาง น, นี้ อย่าแวะอย่าข้ามขั้นตอนอย่าเรียนแล้วก็ออกไปสอนอย่าไปข้ามขั้นตอนที่สองที่สามคือการปฏิบัติและการบรรลุธรรมเหมือนกับนักศึกษาเรียนปีหนึ่งแล้วก็ลาออกไปสั่งสอนเป็นตั้งตัวเองเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะได้รับปริญญาเพราะว่าไม่เรียนจบทั้งสี่ปีนั่นเอง เรียนปีแรกแล้วก็คิดว่าพอแล้วรู้แล้วก็ไปทำมาหากิน mm. ก็จะไม่มีวันที่จะได้รับปริญญา mm. ฉันใดมรรคผลนิพพานก็เป็นอย่างนั้นถ้าอยากจะได้มรรคผลนิพพานก็ต้องทำตามขั้นตอนต้องทำปริยัตปฏิบัตและปฏิเวทก่อนแล้วค่อยไปเผยแผ่สั่งสอนต่อไป นี่เป็นแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำนินมาเป็นตัวอย่างก่อนที่พระองค์จะสั่งสอนผู้ใดพระองค์มิไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆก่อนเมื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติจนครูบาอาจารย์ไม่สามารถสอนได้มากไปกว่า น, นั้นพระองค์เลยต้องศึกษาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็พบทางที่จะไปสู่พระนิพพานได้ด้วยตัด้วยพระองค์เอง หลังจากที่ไปถึงพระนิพพานแล้วจึงค่อยออกมาสั่งสอนผู้อื่นต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายที่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความปรารถนาที่แรงกล้าที่จะไปถึงพระนิพพานขอให้เรายึดแนวทางของพระพุทธเจา้าแนวทางของพระอานนทตสาวกเป็นตัวอย่างขอให้เรายึดคําสอน ที่สอนให้เราศึกษาปฏิบัติและบรรลุธรรมเป็นเป็นแนวทางของการปฏิบัติรับรองได้ว่าผลที่เราปรารถนากันจะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนเพราะเกิดขึ้นมากับผู้ที่ได้ปฏิบัติตามมาแล้วนับเป็นจานวนมากการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา